เป็นเร่องขงวรสุภาพนะตรงนี้ก็นวันที่สองที่พวเราทีมาบิกาที่นีุ่กคนยาไปมาตั้งแน่ตั้งใจร่วมงานหลวงพ่อเกี่ยนด้วยอลอเนบิบาลไปนนทุกข้า่นี้ก็ได้นะก็เราตา้งใจว่าพวกเราอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกครงการ ปฏิบัิบูชาคุณหลวงพ่อคงเทียนเป็นดีหรือว่าบูชาคุณหงพ่อเียที่เป็นอาจารยของหลวพอคเทียนอีกทีน่งดีหรือถ้าเป็นบูชาคุณสูงสุดก็บูชาคุณพระพุทธเจ้าที่เป็นิรียกว่าเป็นต้นทางของการตัรู้หรือการเผยแพร่ธรรมะเพื่อน ธรรม จ, ะจะักรให้ให้สู่ดวงมนุษยเราแล้วก็สสัิญตั้งแต่โดยตัวเองก็ถือว่าการได้มาพูดที่ตรงนี้ก็นึงจากหนุณของหลวงพ่อความเกียนมาอืงถ้าการบวชแล้วก็ไม่ด้อยู่กับตุวบราการที่มีไม่ตาแล้วก็สัมผัสกันมาก เป็นประจําก็ยากสําคัที่จะมีอยู่ตคนนี้ได้มีเซอร์ฟเวอร์ที่เห็นนันที่ก็เป็นพฤติกยรมที่สําคัญในชีวิตของตัวเองเลยเพราะว่าแต่ก่อนก็สนใจอ่านสืส่าอารธรรมะบ้างอ่านซื้อไปเข้าคอร์สปฏิบัติพอสมควนรแต่ก็ยังปฏิบัติไม่ถูกแม้่ปวดมาแล้วก็ ปฏิบัติเาก็นั่งเราไปคิค่อยเรานั่นดูลมหายใจให้เกิดสตินะแต่มันก็ไม่เกิดสติอไปหวดมาก็ไปอยู่ที่ฝ่าจุกโตเลยก็แต่เพรานั้นหลวงพ่อองก็ไม่ค่อยได้อยู่นะวัดก็แต่ก็นั่งดูลมหายใจทำไปก็มันได้ให้ความสงบจากิดตัวนะบางวันก็สงบบางวังก็ไม่สงบ เราสงบเราก็ว่าเราดีวันไหนเราไม่สงบเราก็ว่าเราแย่ืางทีก็ไปโทษสิ่งผืนที่ทําให้มันไม่สนบนกะลางวันนะก็โทษคนกํางวันก็โทษยืนกลางวันก็โทษคนเดินผ่านไปผ่านมามันก็ไปโทษคนดีนะแต่วันไหนที่ได้แค่ความสบก็ เขาไปต่อไม่ได้ก็ก็ยังเอกใจอยู่ที่ทำ ไ, ไมพอสงบแล้วมันจิตมันยิ่งแล้วแต่ทันมีอไงต่อก็ไปไม่ดูแต่บางวันที่กลวงพ่อคนเกี่งให้มามาเทาอตอนหลังคัาว่าถูกนะท่านก็ทีตอนในหม่ๆจำได้นะท่านบอกว่าให้หายใจที่สบายๆ รู้สึกถึงการหายใจที่ทบายๆไ ด, ได้ไม่ต้องไปกําหนดเดินหายใจมากอไม่รู้แต่เรารู้สึกได้เหมือนพ่อเที่ยงกับเรเมื่อท่านเห็นเร า, ร า, เรานั่งหลับตาดนูลมหายใจอย่างจริงจังหรือว่ายางตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าต้องไปดูภาษีเขาทำหรือเวล่าให้เรารู้สึกว่าตอนที่ย่างูดมันตรงกับที่เราทําที่เรา ตั้งใจกาหนดลมหายใจยาวลมหายใจออกยาวแบบมันก็แร็คแรกคอะไรแบบจริงจังแต่วันไหนมีสมาทีมันก็สมองู่แต่ข่อท่านพิจารณหนึ่งที่เราี่ว่าเราต้องติดตั้งแต่ที่ว่าเราต้องกำหนดตลอดแต่พ่อบอกให้หายใจเป็นธรรมชาติแล้วก็ใรู้สึกนแค่รู้สึกว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออก แค่นี้ก็ได้นะท่านก็จะพูดแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ท่านก็จะสอนเรื่องอาการพุทโธสิกิจจังหวัดนะให้ไปมาก็ก็จะรองทัาสอนอย่างก็คือว่าไป่อนาหนลมหายใจแบบกินกามจนไปนะและ้วบานทีก็ได้แคสมาธิเฉยๆก็ลองหายใจแบบพยุง่อสอนว่าหายใจไปทำไรบ้างให้รู้สึกลัวนะ มันสงบก็รู้ว่ามันสงบมันไม่สงบก็รู้มันไม่สงบให้ทำแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าจะยกมือสร้างจังหวะตอนนีแรก็ได้ไปไม่ชอบยกมือส้างจังหวะรู้สึกมันกระเิงรู้สึกมันไม่ค่อยดีแบบรู้สึกมันมีเท่ะรู้สึกมันแปลกๆประมาณนั้แต่ก็เดินโยนค้งดีกว่า อีกอย่างหนึ่งก็มันอาจจะมีข้ออ้างเราด้วยนะนจริงๆก็ไปก่อนอยู่วัดป่านะอยู่บนกุฏิยืนคนเขานะนะยืนก็เยอะถ้าจะนั่ง้วยมือต้องไปนั่งในมุงในกุฏนะิแต่ถ้าเดินเป็นโคมก็ในออกเดินข้างนอกได้แต่รู้สึกว่าถ้าชอบเดินในที่โล่งๆทัดใหมนะ่ถ้าไปนั่งที่ระเบียงก็เดิๆๆนยะืงรวม ถ้าไปนั่งในกวดก็ยิ่งโดนคนน่วมลุ้นมันมันมันมีการกต้องสื่นใจเองคนตัว น, นะอยู่อุติค น, นเดียวหรือไม่ลุ้งคนเดียวเนี่ยตวันเนี่ยบางทีจิตคิดต่อคง่วง ม, ม, มาก็นอนดีหรืเปล่าว่าประมาณไม่ไม่มีใครเป็นหลับประมาณนั้นนะก็ก็ต้องขื่นใจตัวเองนะแต่ก็อาศัยกานบริการ นั่งไปมาสักแค่พอพอหาเหนื่อยนะก็จะเดินชั่นโมงสองโมงก็ไปนั่งสิบยี่สิบโมทีก็กลับมาเดินใหนม่ก็ผมพ่อก็สอนวิธีการเดินเป็นคนนะไม่ได้มาสอนส่วนตัวหลักแต่สอนต่างประเทศนะสอนก็แค่ไม่ต้องอติดกาหนดแต่ก่อนเราเคยเดินแบบไปช้าไปาเปดินแบบกาหนดกําหนดยก ด่างเหยี่ยบอะไรนะหรือก็ไปกำหนดแบบบริรรมก็มีพุตหรือแล้วโกก็มีหรือบางทีก็ทํากําหนดการเดินพร้อมกับตรงหายใจเลยนะล้วก็มันก็นกนกต้นต้านสมาธิแต่หลวงพ่อท่านสอนให้ให้เดินเป็นธรมชาติให้เดินแล้วก็รู้สึกตัวอื ไม่ต้องเป็นกาหนดข้าวซ้ายข้าวขวาไม่ต <am uncommon> ้องเป็นบริการอะไรเดินแค่แค่รู้สึกก็เดินปฏิบัติใหม่ใหม่ก็ขนาดเดินก็เลยง่วงง่วงนเป็นเท้ามันขบนะเพราะว่ามันเซยืนเตะหินหรือข้านะสู้เอาเลยอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนปฏิบัติแเดงว่าหยิดปุ๊บใครปุ๊มัแล้วก็ปฏิบัติเอง หรือบางครั้งเก็บอรมณ์นะครูบายกจาราการ็ไม่ให้นัว่าเก็บอรมณไม่ให้อ่านไม่ให้คุยไม่ให้อะไรนะแต่ก็ลองทำอย่างที่ครูบายกจารย์ท่านว่าหลวงพ่อก็สอนให้ทำแบบไม่ให้อยากนะอยากไปทำด้วยความอยากจะได้อยากเป็นอยากจะมีอะไรแต่ใหม่ๆตื่นเต้นปฏิบัติเราก็อยากจะอยากจะบรรลุธรรมนะ แต่จะรู้ทำมากนะบางทีมันก็รู้เพื่อตอนนั้นรู้สึกรู้มันจะได้รู้สึกว่าตเองเก่งหรือตัวเองดีนะรู้สึกเป็นความภูมิใจคณะที่ครูบาอาจารย์ก็สอนบไไอกว่าให้ทำด้วยความอยากให้รู้สึกชื่อกนะ็ได้ยินนะได้ยินจำได้แต่พอมาทำนานๆหรือว่าทำแบบต่อเ น, นื่อ ความจริงจังก็จะเข้ามาแทงที่ก็จะเกิดความอยากอเกิดความอยากแล้วก็ในมัมนก็ปุ๊บนะมันจะพอมันก็ทำจิตใจธรรมดาไม่ค่อยปุ๊แต่พอทําด้วยความจริงจังอยากได้ได้มันก็เลยทุกอืมปุก๊บแล้วไงปุ๊บกมกัน ก, ก็ไม่มีใครช่วยนะมันก็ทำให้เราเห็นเยอยว่าอริงที่เราทุ๊บเนี่ยเราทำด้วยเองทุ๊บ เมือนเราพาตัเองไปเดิน่วนตำแพง <c oughs> เดินทางเนี่ยตามที่มันตั้งใจที่มันอยากหน้าตื่นไป ย, ยิ่งทำยี่เครียดยิ่งทำยิ่งทุกข์ทำไมใหม่ๆทำไมไม่ทำ น, นี้นก็เป็นแบบนี้แต่พอตา่างๆทำไ้เป็นแบบนี้ <c oughs> เราอยากจะไปรู้ทำ <c oughs> เราอยากจะเข้าใจธรรมะ <c oughs> พอเห็นว่าัวเองทุก ต้องรู้ว่ามันพลุเพราะความอยากมันก็วางความอยากลงวางความอยากลงมันก็เออก็ทําเหมือนเดิมนะก็เดินเหมือนเดิมก็ยกมือเหมือนเดิมแต่มันก็พลุน้อยลงพุกัล่อยเราไม่ได้หวังคนตัวเองนะอ๋อให้เข้าใจที่หลวงพอท่านพดนั่นเองให้ทําแบบไม่ต้องทําที่ความอยากที่ทำจี๋เฉยะ รู้สึกตัวซื่อมันค่อยังมารู้จักคำว่ารู้สึกตัวแต่ก่อนก็ยกมือก็เดิน็นปมนะแต่ค่อยนะมารู้ทีหลังว่าตอนนัแรกทำมันไม่เป็นความรู้สึกตัวมันทําแล้วใจก็เหมือนมันไม่รู้สึกซื่อเฉย น, นะแต่ถ้าเราทำรํำด้วยความรู้สึกตัวเฉยเนี่ยนะมันเป็นการรู้กี่ครั้ง มีลักษณะนะจิตอยู่กับปฏิบัติจริงนะไม่ได้อยากจะได้อะไรไม่ได้สมัยคิดหรือีกตจิตมันอยู่กับปฏิบัติมันรู้ชื่อชืนะ่อรู้แล้ที่มันไม่ต้องเปลียเป็นอะไรก็ไดนะ้เราไม่ไทําเพื่อแต่เป็นอะไรเนะมื่อจิตตั้งัดกับความรู้ชื่อชนะื่อเข้าใจแั่มรู้ชื่อชื่อการปฏิบัติมันก็เหมือ น, นได ในวิธีการที่ที่ถูก้างนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกตลอดนะแม้เราจะจับหลักการปฏิบัติได้แม้เราจะเข้าใจการวางใจที่ถูกต้องนะใจเป็นกลางใจรู้สึกไม่ไม่อยากเป็นแบบไหนมันก็ได้แต่เห็นไหมว่ามันมต้องไม่ตลอดไม่ตลอดบางทีจิตมันก็แบบหลงเหมือนกันนะ วันนี้เราปฏิบัติดีปฏิบัติเรื้อรอบคัวดีเดินแล้มันมีความสุขวันหลังปฏิบัติเรื่องวิถีเมืเมื่อวานเราก็จะเผลอละเผลอเผตัเอย่างได้เหมือนเมื่อวานทำไมไม่เตย่ายไม่วานดีล่ะนี่มัเนี้ยก็คิดหรือว่าทำไมเราเคยอ่านตัามั่วมาได้แล้วทำไมวันนี้มั่วอีกล่ะ ตัวจิมันมันก็เผลอลืนตัวนะว่ามันเคยได้อารมณ์ที่เปปกติหรือเจอได้อารมณ์ที่ดีพอวันหลังมันหไปหรือวันมันไม่ได้อีกมันก็มันก็ลืมก็หลงตีมันเป็นความอยากเียกันอยากมีสิ่งที่ตัวเองเจได้อนี้บางคนเคนเจอบางทีบาแล้วมันได้อารมณ์อะาแแล้วมันรู e ้ส e ึกตัวด e. ีพอวันหลังมัน ไม่ได้อีกมันก็จะเกิดความอยากได้ในสิ่งที่เองเตยได้อแต่นี้ยพอเต่อทำไปเรื่ก็มีใครอสอนมีใครแนะนำํำถ้าเราได้กลับมาติตัวเองแล้วก็ที่จริงเราก็ทุกเพราะความอยากเหมือนกันตอ น, น, นแรกมันอยากในสิ่งที่เองไม่ได้ยังไม่เคยได้ตอนหลังก็อยากในสิ่งที่เองเตยได้มาแล้วนะ แต่ฟองไปเรื่อยเหมือนไม่ได้ด้วยยังไงเราต้องกล้าทิ้งนะต้องอย่าต้องกล้าทิ้งทิ้งทั้งอารมณ์ที่ดีแล้วก็ทิ้งทั้งลมที่ไม่ดีไอ้ที่มันไม่ดีก็กแค่รู้แล้วก็ทิ้งไปไอ้ที่ดนะีเป็นความรู้สึกตัวเป็นความสุขเป็นความสบาสบายรู้แล้วก็ทิ้งไปเมื่อวานเ็นเรื่องของเมื่อวาน ตอนนี้ก็เรื่องของตอน น, อ น, นี้เราต้องมาที่ตอนนี้มาทําอะไรมาทำเหตุทําเหตใหม่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เรื่องของมันหน้าที่เราต้องสร้างเหตุสร้า ง, งเหตุใหม่ตอนนี้มันง่วงไม่เป็นไรตั้งใจรู้สึกตัวใหม่อตอนนี้มันฟุ้งไม่น้อยไม่เป็นหงไม่เป็นไรตั้งใจรู้สึกตัวใหม่ตอนต้องแยก แยกไม่ได้นะนะแยกก็ว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะ่าแล้วก็เราเข้าสร้างเหตุใหม่ในการที่จะให้ม่นเข้าที่เข้าทางพอเราทำไปเรื่อยๆใหตัดมารู้สึกตัวรู้สึกตัวใหม่ไอ้ทางที่มันเจอได้มันก็จะตัดมาของมันเองนะมันก็จะตัดมาของมันเองแต่แต่และวันมันจะไม่เหมือนกัน พอเราตัดสนการรู้ตัวลปเวลื่อยๆรู้ตัวไนะปรื่อัาก่างันจะค่อยปรากฏขึ้นเป็นตัวของเราเองนะเราจะเหน็นไลมไว่นะไมไมาไอนะ้ที่มันไอ้ที่มั น, น, นเคื่อนไหวไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเพียงแค่อาการของรูปที่เจนะที่มันงวดที่มันปวดมันเมืย มันเป็นเรื่องของของลูกแต่ใจเราขาดกติเมื่อไรเราถึงมีทุกข์กับลูกที่จริงลูกมันทุกข์ของมันนะแต่ใจเราถ้าดูเฉยเฉไม่ได้ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเรามีข้อเวลาร่างกายมันทุกข์เราเป็นทุกข์ด้วยเพราะเรามีข้อมัแต่ถ้านใจเรายอมรักบที่สบบําคัญคือการ ย, ยอมรับค ก, กตมจริงนะ ร่างกายเขาโน้มร่างกายเปาคลุกใจเมื่อยอมรับว่าเออมันเป็นเรื่องจริงของร่างกาย จ, จิตใจมันพอมันยอมรับได้มันถึงจะใายเออตายก็ตายทุกเรื่องของตายใจเราเป็นผีแค่ผูดดูจิตใจดูนะดูอาการที่เกิดขึ้ น, นะกับร่างกายใจคือพูดดูแยกมันปัญหา ใหม่ๆมันก็แยกไม่ได้แยกออกมาแป๊นหนึงนะแล้วก็หลงเข้าเก่งนะมันะจะคล้ายๆเหมือนหลุดออกมาตัวคำตัวกราวดแต่พอหลุดมาได้นะแล้วก็เราก็คอยกลับมารู้ตัวไปไหวมันก็จะหลุดออกมาเป็นผูน้รนะู้ะเพราะว่าที น, นี้เปิดตัวเข้าใจเองนะว่าคือถ้าเราเดินเรื่อง กายเสติเป็นหลักเพราะว่าต่างๆก็ติ้งเรื่องการทำสมาธิไปข้อเน้นเรื่องายเป็นสติเป็นหละจิตจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ดูออกมามันจะเป็นแค่ชั่วขณะมันไม่ใช่แบบเป็นผู้รู้แบบตั้งมั่นในการเข้าสมาธิแล้วก็ไปมาเดินวิปัสสนาต่ออีกทีหนึ่งแต่มาคิดว่าพอเราเดินเป็นสติแบบที่หลวงพ่อคอนเฟิร์มสอน เราสติเป็นตัว น, นาสมาธิเป็นตัวตามสมาธิมันไม่ได้ขนาดที่แบบตั้งมากหรือว่ากำลังแบบแข็งแรงมากการดูมันเป็นผู้ดูมันก็เป็นผู้ดูทีละขณะทีละขณะแต่พอเราสะสมการดูทีละขณะทีละขณะมันจะเกิดธรราติอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นอัตโนมัติไม่ว่าเราจะทําในรูปแบบ ก็ตามหรือว่าเราเิดสตินอกรูปแบบ ก, ก็ตามกว่าร้านวัดไปปล่อยมันก็กว่าร้านวัด น, นดะเหนไหรือว่าเดินยินทบากหรือว่าทานอาหารสติมันก็จะไปตามรู้ใีปล่อยที่เป็นธรรมชาติแบบนั้นหรือว่าถ้าเราต้องทําการปัญงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนะบางทีมันก็ไม่ได้การรู้ตายตลอดแต่มันจะคอยรักษาใจ เวลาทํางานกับคนเนี่ยเวลาคนอื่นเขาพูดมาเราได้ยินเสียงเราจะตับมาเห็นความรู้สึกในใจของเราว่าเป็นแบบไห น, นอเขาเขาพูดคุยนึนุนแน่แรกๆเราจะเจอไปรำคางเขาแต่พอเรากลับมาเห็นใจเรที่รำทางเขาเออ ม, มันเห็นเนี่มันก็ตกไม่ต้องไปห้ามเขาไม่ต้องไปตำหนิเขา พอเราัดมันเห็นความลังคาในใจของเรามันก็จกนี่คือสติมันจะมารักษาใจของเราเองนะให้มันเป็นปกติแม้เราจะต้องทาการทํา ง, ง า, น, างนต่ออีกเดินเสือกตัวถ้าถ้าปฏิบัติในรูปแบบนะสติมันก็จะตามรูปตายเป็นหลนักเพราะว่ากายที่มันเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบมันตัดัดแล้วเราก็ทําบริ่อย มันจะกลับมารู้ใจจนหนักแต่ถ้าตอนไหนที่เกี่ยวข้อกับคนหออาคาารือว่าการงานเ่ียกๆนะมันก็จะคล้ายๆปฏิมันก็จะคลายๆเปลี่ยนโหมดนะมามารู้ใจจนหนักนะแต่กนไม่ใช่ว่าจะทิ้งใจทั้งหมดนะแต่มันแจ่คอยรักษาใจรักษาใจเวลากระทบอารมณ์หรือเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นมามันจะมีตัวกรองนะ ขลองใจให้มันไม่ไปเพ่งโทษตัวเหรือว่าไม่ไปอินกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเห็นเห็นอาการของใจส่วนแต่ใจที่เห็นที่รู้จิตใจก็เป็นเผยมันมันจะเห็ น, นแะแล้วก็ค่อยๆแยกแย ก, กไปโอ้มันก็ที่หลวงพ่อท่าน่อนะอาการของลูก อาการของน้ำมันเป็นแบบไหนแต่ก่อนนี่ไม่เคยเข้า ใ, ใจนะคือทำไมเราต้องแยกแลเลื่อนลูกเลื่อนนามเลื่อนฐานข้าด้วยแต่ความรู้ตัวมันทำให้เราแยกเมื่อเราแยกเมื่อเราแยกได้เมื่อเราแยกเป็นนะมันก็ทำให้เราเห็นว่ามันที่มันทุกข์เนี่ยมันเปินแค่ขันจริงๆในที่เราส่วนนนท์ทำไว้ ขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขนะ์ว่าเลยย่อนะนะที่จริงขันทั้งห้ามันเป็นตัวทุกข์ของมันแต่จริงว่าตัวทุกก็คือคอุปทานขันทนะั้งห้าคือตัวทุกข์ที่ทําให้เราหลงเมื่อไรที่เราเสกนะมันก็มีแต่ขันที่ทุกข์แต่พอเราไม่ยอุปทานว่าวออราูปนะ น, น, นี้นเป็นของเราะเวทนานี้เป็นของเรา สัญญาสัมพันวิญญาณเป็นของเราเมื่อมันไม่ต no รีจก็เป็นของเรามันก็เป็นปีแค่ขันขันหนึ่งเหลือกะเป็นปีแค่อาการของอน้ำขันนะอาจจะสีอย่างที่มันประกอบกันมันเป็นปีแค่อาการอาการอาการเมื่อเราจิตเรเห็นว่าเป็นปีแค่อาการเราไม่เอาอยจิตเนี่ยเขาตรีจิตก็เป็นของเรามันก็มีทูกแล้ว อ๋อ น, นี่นะเนาะปฏิปทานอาหารปฏิปทานเมืนะ่อเราพัฒนาไปจิตค่อยๆเห็นความจริงนะนะเห็นความจริงเรื่เยๆนะความจริงนะ่าจะสอนเราเองโดยเฉพาะถ้าเห็นไตลนะรลักษณ์ในส่วนตัวจะรู้สึกถูกสรุปกการเห็นอธิจัรยนะ์ของสิ่งตา่าง เลยมั น, ม, นมันรู้สึกเฉงการเปลี่ยนแปลงของของร่างกายร่างกายนี่แหละนะ๋ยวมันก็ทุกมากกับทุกน้อยแต่ว่าไม่ทุกเลยไม่มีนะร่างกายมันมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนสลับไปสลับมาหรือไม้แต่จิตใจนี่แหละมันมันเปลี่ยนเร็วมากนะแม้เราฝึก เกิดสติหยุดบ่อยๆเพราะไม่ใช่สติมันแต่ตเฉยตลอดเวลานะอเพราะว่าใจจิตมันก็ยังเป็นขันธ์ขันธ์มันก็ย่อมมีเวทนาอเวทนาบางทั้งก็สุขบางคั้งก็ทุกข์บางครั้งก็งเฉยสัญญาที่เราจำได้ในรู้ในสิ่งตา่างๆกลายเป็นการปรุงแต่งเพราะมันมีของมันโดยธรรมชาติ แต่ถ้าเรามีแล้วขาดสติเราจะกลายเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ uh. หรือเวลาเป็นคิด uh. ถ้าเราเห็นความคิดเราไม่เห็นผู้คิด uh. แต่ถ้าเราไม่เห็นความคิดเราก็จะกลายเป็นผู้คิด uh. แล้ถ้ามันาคิดดีเราก็จะยึดไว้คิดไม่ดีเราก็ยึดไว้อรงนี้คือถ้าเราไม่เห็นมัน แต่ถ้าเราเห็นมันก็มันก็อมีเยอะนะมันไม่เหมือนนีมันไม่เหมือนเขียนได้ว่าเปยิ้เมื่อไหร่มันฟุ๊กแต่ถ้ามันยิ้มมันก็ไม่ฟุ๊กเนี่ยมันเขอ่นเราต้องฝึกให้มันเขียนเมื่อเขียนแล้มันก็เลยไม่เข้าใจเองเนี่ยคือหัวใจหรือคำสอนของของหลวงพ่อควาเขียนที่สอนไว้แต่้็มันก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆนะอ่ อุบายการท่านอาศัยความเพียในแหละเป็นตัวนำผมพ่อเองก็ือไม่ได้เป็นคนตั้งที่ตั้งใจในการเชี่ยวเก่งนะแต่ท่านทําที่ดูอยู่ให้เข่งแล้วก็แล้วก็เทศให้ฟังเป็นประจันใะนคําสอนที่ของพ่อที่สอนอาตมาเองก็ถือว่าเหมือนได้ได้ชีวิตใหม่นะจากหลวงพ่อที่ เหนือป่าอยู่กับท่านประมาณสิบสี่ปีนะนะอยู่ห่างบ้านอยู่ใกล้ใกล้บ้านนะบางครั้งที่ท่านป่วย ท, าาทา่านราดผาก็ในอุปถัมภ์บ้างบางคั้งที่ท่านแข็งแรงก็ไม่คอยได้ก็ไปช่วยท่านเท่าไหรนะนะ่ก็ก็ท่านเองก็มีอุปกรณ์ท่ใส่สที่เหมือนชอบเคื่อนเองหมือว่าชอบชอบทํางานทำอะไรก็ไม่เรียงนะไม่เรียง ลูกศิษย์หานมช่วยถ้าเป็นงานที่ท่านสามารถทําได้ดีไม่แจกเป็นงานใหญ่หรือว่าต้องการคนต่างท่านจะบอกมาแต่ตัวตัวหลวงพ่อท่านแสดงความที่เหมือนเหมือนเกี่ยวข้องนะแต่ไม่ไม่ไม่ยิดติดอะไรต่างๆกะกดเรียบตินต่างๆลวงพ่อเป็นคนปฏิวัติความคิดของ ของแต่เองเยกเหมือนกันนะเหมือนเราผ่านการศึกษาทางโลกเราพอสมควรนะพอไปอยู่ในวัดเราเจอฟูวาการแบบท่านแบบไม่ได้ยึดติดแบบเรื่อพวกนี้นะเช่นสมมุตว่านัดหนุ่มพอยนัดชวนไปไปก้งคอตอนบ่ายโมงบอกตอนเช้าตะพัดเก้าโมงไปละเปลี่ยนแปลงแบบการถานนะเราไม่หันตั้งตัวนะ แต่เจ้า จ, จะเข้ากรุงเทพนะอบอกมันหล่อใจรุ่มบ่อใธมาหล่อไปไปเข้ากรุงเทพนะแต่ตายนะเราไม่ทันเก็บข้าวของเลยหลวงพ่อเจ็ไปแล้วเนะี่ตือเปลี่ยนแถมไม่เลยนะเราก็เป็บก่อนแล้วก็อยากให้มันเที่ยงเนาะอืมแผนก็คือตารางที่เราจะเล่นเกี่ยวข้องกคนแต่เราก็เอาแบบไม่เที่ยงแล้วนะ ม, มันมันขัดใจนะขัดใจ เพราะว่าเราเราใส่ชินแบบแบบแผน่ะอใส่ชินแบบแผนที่พ่อแบบนิ่ถูกแบบนิ่งดีแต่หน้าพ่อก็เปลี่ยนเขาเหตุปัจจัยจนะไม่ใช่เราเปลี่ยนก็าตามใจท่านเราจะมีเหตุปัจใจัยหลยอย่างที่ท่านอาจจะไม่ได้อธิบายเรานะแต่ท่านก็อ่าประสบเหตุปัจจัยจที่ท่านดีข้อมูลที่ท่านมีท่านก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ยังน้อไม่น้อเรานะไปไกลได้ ไปทันก็ไปไม่ไปไม่ทันก็พ่องนุ่มพ่อก็ไปเองประมาณนั้นอืมก็มันเป็นการขัดใจขึ้นต่อคนที่ยึดติดในรูปแบบหรือบางทีเขาสอนใหม่ๆะรผู้สึกขัดใจมากแล้วเราก็ไม่ให่เอาเหตุให้เอาผลไม่ให้อาถูกไม่ให้เอาผิดไม่ให้เอาดีไม่เอาไม่ดีเรา เราเรียนมาแนมะ้เราจะคิดว่าเหตุผลเนี่ยมันคือสิ่งที่มันต้องมีเหตุมีผลหรือเราเรียนยนช้แยกสัจีในตำราดีก็อธิบายเป็นนะสมุทัยคือเหตุทุกคือผลนี่ใชนไหมลิโอดิลมา ค, คือเหตุลิโอดคือผลตําราดีก็รักพยายามอธิบายพุทธศาสนาเป็นเกณฑเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ แต่ผมพ่อเองให้หมอที่ไม่ให้เราเหยียบไอ้ผลไม่ใถูกออิทเพราะอะไรเพราะเวลาเราปฏิบัติบางทีเราก็จะเอาเยียบไอ้ผลจากตัวเองนะเช่นทำไมมันยิ่งถึงเครียดทำไมมันยิ่งถึงง่วงทำไมมันยิ่งถึงขี้ตื่นเรื่องนี้นอมันมันจะมามันจะสงสัยตัวเองทำไงตนัวเเราจะ ม, มันไม่ได้คํำอธิบายมันจะไม่หวางมันจะไม่ยอมหวานที่ทำไมทำไมแล่วปวดหัวมันก็จะคิดเรานอนน้อยหรือเปล่าก็ไม่นะอะเรมาแต่กินเยอะหรือเปล่าก็เยอะหน่อยนะแ ต, แต่ตอนไม่ไ่รงงขนาดนี้นะมันก็จะหาเ ห, าหาตุหาผลอธิแบายตภาวนาลงตาแต่ไม่นะหรือทําไมหน้าคนนี้มัน หน้าตามตัวเหลือเกินนะวิติกิที่ทำไมเราติตคิดไม่เดียวเท่านั้นประมาณนั้นนะแต่หลอสอนให้เราี่เอาเหตุอผลพรอะไรไม่ใหญ่ให้เปติดความคิดคือมันเกิดแล้วเราไปคิดหาคําบที่ว่ามีที่เราจะติกับความคิดไม่ว่าเป็นเหตุผลถูกหรอิดวิติทานั้นท่านสอให้เราแค่ดูว่ามันนี่มันเปนอารณอะไร ยอมรับมันเลยมันเป็นทางรัฐ <c oughs> มันเป็นทางรัฐแต่ถ้าใครติดกับความคิดนะ่ยมันต้องเหมือนคล้ายเราต้องอธิบายง้ายถึงจะยอมรับหรือให้มีคนเชื่เลยเราถึงจะยอมเชื่อแต่เอาเข้าจริงๆในชีวิตเราจริงๆหลายเรื่องราวเราต้คิดอธิบายตัวเองไม่ได้หรือหลายเรื่องราวเราถามคนอื่นเราอ่านหนังสือ เราก็ไม่เชื่อเขาอยากเป็นใจทั้งหมดใช่ไหมแต่ข้อทั้งหมดบ้างด้วยเลยเหตุผลความคิดต่างๆนะวางทป้งหดเลยเวลาปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติแต่ผมก็ขึ้นต่อคงง่ายเป็ น, ป น, น, นนะม่วงก็ยอมแล้วก็ ม, ม่วงไม่ต้องมีหาเหตุนะไม่ต้องหาเหตุหาผลอะไรนะม่วงก็อนะแก้ไขไปตอนนี้กลงานมันม่วงไม่นอน ด้วยเหตุผลอะไรกได้แต่ไม่นอนอแต่กลางคืนถึงกระได้นอนแล้วไม่ง่วงก็ไม่ต้องเรีวเหตุผลอะไรถึงเวลาแล้วก็นอนมันง่าย ด, ดนะีอืมัมนง่ายดีแล้วก็บางทีถูกติดก็เหมือนกันนะบางทีเราก็เป็นคนตอนแรก็ไมิดไม่รู้ตัวเองคนติดตีติดตี ติด อ, อะไรที่มันดีดที่มันถูกต้องอะไรประมาณนั้ น, นะนดดแล้วเราพอเราติดดีล้วก็เราก็อยากจะให้มันดีทั้งกับเราเองหรือดีกับคนอื่นโดยดีต่อสัองคมอะไรนะพอมีอะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกมันก็จะไม่พอใจนะแต่ไม่พอใจยังงมันก็มนไม่พอใจแล้วก็แต่หน้าตาขเก็ยังติดเฉยได้นะอืยังไม่ค่อยอาละวาดเท่ไหร่ะ แต่มันก็รู้สึกขุ่นในใจเพราะเราไม่คอยใจแต่มันก็เห็นว่าที่จริงเราทุกใจก็เรา ต, รตริดดีนั่นเองเจ็บติดที่ดีแต่มวาว่าบรรยากาศสุกตั ว, ตวเหมือนน้องพ่อท่านท่านสร้างบรรยากาศแบบเป็นการให้มันหลากหลายนะอืมายชอบเสกแก่ เ, เหมือนเหมือนเรียนการปะแข่นะอื แต่เองไม่ใช่เรียนนะแต่รู้สึกว่ามันเหมือนโอเก่นะเหมือนหลากหลายนะอืถ้าเราถ้าเราไม่มีไม่ัยตัวเองนะมันก็จะเกิดโตเติบโตไปได้ง so ่ายแต่เหมือนทล้ายๆหพ่อให้ความหลากหลายของคนก็ดีหรือว่าความความไม่ติกในข้อวัดหรือราเบียงมากก็ดีแต่หลวงพ่อท่านให้เราคล้าย เรียนรู้จักราวะที่มันเป็นจริงนั่นแหละไม่ต้องเป็นจัดระเบียบคนอื่นคนอื่นเช่นหลวงพ่อจะตอนเดินมิถาบนะเดินมิถาบคนอื่นเขาพูดคุยไม่ต้องไปบอกเขาเราอะเดินส่วนลวงระวางเช่นนั่นก็พอละหลวงพ่อจะประมาณนั้นตัดมาดูตัวเราแค่นนั้นก็ อันนี้ก็มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเราตัดสติบางทีแ <obviously>, ล้วก็เอไบอกแบบด่าลาก่าของเขาตรงนี้ว่าแต่ถ้าเรามีสติก็อาจจะบอกได้เหมือนกันแต่แทนทันเมตที่กลับมารักษาใจเราก่อนไล้ายเขาคุ้เขาจะทําอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เรารักษาใจเราให้เป็นปกติมันจะทําให้เราคุ้มก็เลยอาการแบบติดดีรงนะ คนไหนนะับไป ด, ดูหลายปีจนเจ็ดีดีลองรูน ะ, ม, ะมันคือเรารู้ว่าอะไรดีรู้อะไรถูกต้องรู้อะไรควรทำมันคือธรรมะที่เราต้องทำหรือวควรที่จะรักษาคนเทียกพัฒนาให้มากขึ้นแต่บางทีการติดคือ เรามีพริยามแบบนี้น อ, อื่นเขาทาแบบเราหรือว่าเราอือยากไปจัดการคนอื่นแต่นะการภายอนอะกแต่การรักษาธรรมคือการรักษาใจให้มีทุกเรารู้ว่าอะไรปูบปิดควรไม่ควรนะแต่เรารู้ว่างิดเรารู้ว่าเราไม่ทันอารมณ์เราเราก็จะไปเพ่งเ น, น้าไปในตี่คือมันติดนะนะ ันติดเี้มันก็จะไปติดอารมณ์ติดความไม่พอใจติดความโกรธ น, นะแต่ตอนแ้กมันเป็นมะที่ค่อยๆอค่อยๆเปิดการเรียนรู้แต่การที่เราจะเดินสติเนี่ย บ, บ่อยและหลวงพ่อคนเขียนท่านก็มีตัวอย่างคล้ายๆว่าท่านก็มันทีก็ให้ เรายรู้ธรรมะต่อการทําการทํางานคนตั้งใจปฏิบัติธรรมเฉยๆตลอดก็ก็มีนะก็มีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเองก็บางทีเราก็จะมีงานบางอย่างที่หลวงพ่อมอบหมายให้ทํำหรือว่าให้ดูแลเหมือนหัวงพ่อได้ไปดูสถิตแต่ละคนว่าอืมให้ทํางานไปด้วยนะให้ภาวนาไปด้วย S <S แต่ทำผู้ตูงโตนะมีบางมีบางขนาดก็และมีอบรมเยอะๆบางทีก็อยากไปไปผานหลวงพ่อเหอนแันนะก็คนขอภักบ้างได้ได้ในตื้อต่อครับประมาณที่อีก็ไม่หลวอหามานให้นะมันไม่ได้ว่านะแต่บางทีเราก็อยากแบบเหมือนภานาแบบต่อเนื่องหรือว่าอีไปเท่าไหรก็เข้าไปถามหลวงพอหลงอหรอก ให้สอนคนอื่นไปด้วยสอนตัวเองไปด้วยท่าพูดให้ของประโยชน์นะสอนคนอื่นไปด้วยสอนตัวเองไปด้วยเราก็ครับพอตัดทําแบบนี้นะก็ตัดสุบายการทั้นสอนแล้วก็ต้องเชียรท่านถูกเชียรท่านก็ก็ดูเพราะว่าอะไรนะก็ถ้าเรา สอนในคนอื่นบางทีก็จะอื่นตัวหรือว่าสอแต่ตัวเองบางทีก็อาจจะเปล่นตัวอันนี้อาจจะกระปรี้บตัวนะอาจจะไม่เี่กับคนอื่นนะหนูก็ดูบางทีถ้าเราสอนคนอื่นแล้วจจก็ยกลับมาดูแล้วก็รู้เท่าทันก็ในสภาวะเวลาเพลเวลาสอนนื่นมันจะมีอารม์เกิดขึ้นนะสงวงนรู้ึกเพลียแล้วคนฟังตั้งใจเรียน วามสดใจโสดมาตอนวันเทศไปเด็กพูดคุยกันผูน้ใหญ่มงนอนนะฮะจิตใจคนพูดนะนเนี่ยก็เป็นแบบไหนคนพูดไม่ได้พักพูดทะลนะโยม่มแล้วก็ต้องดดนนะมีอมารมณ์นะแต่เราจะรักษาใจเราอยงไรทนี่เราไปควคุมไม่ได้นะพูด่ากไปก็ได้ใชอืมพูดดูกไปก็ได้ แต่ถ้าเราไม่กษาใจเราความโกรธของเราจะประจายตัวเอออกไปใช่มอันนี้คือมันก็ดูอารมณ์มันก็เห็นอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ปิติเชนะว่าประมาณว่าการสอตเองขณะที่สอนผูื่นก็ได้แต่ก็มีเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆตมาคิดว่า ญาติยโยมก็เหมือนกันนะเราปฏิบัติธรรมเองก็ดีว่างานวุฒิการสอตัวเองแล้วกานที่เราสอนตัวเองงานวุฒิการสอนคนอื่นเป็นตัวสอนผ่านการกระทาซึ่งมันมีนม้ำหนกักหรือว่ามันชัดเจนกว่าคำพูด น, นะครับการของเราได้ตั้งใจปฏิบัติมากวุฒิการวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสบูชาคุณหลวงพ่อขงเขียนแล้วก็ เปนการปฏิบัติบุชาคุณของก้อเตียนพระพุทธเจ้าที่ท่านให้แสงสว่างให้กันมกักกับพวกเราก็คงความเปเจรเียวลาเนาะ